วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยีิบสองเรื่องปีและสอนพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สามสุภาษิตบทที่สามข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรงสารปนาฟาสวรรค์โดยความเข้าใจโดยความรู้ของพระองค์น้ําบาดาลก็ประทุออกมาและเมฆ ก, ก็หยาดน้ําค้างลงมาเพียงครับโพสจ้งพระเจ้าในช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับพระปัญญาหรือคุณครูปัญญาและเกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์พระเยซูคริสก่อนที่จะไปถึงประเด็นหลักของวันนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาต ที่จะถอยกลับมาในบทที่สามตั้งแต่ข้อที่ห้าจนถึงข้อที่สิบสิบหกนะครับและสิบแปดที่เราได้แบ่งปันไปหลายวันที่แล้วพี่น้องครับมีคนถามอย่างนี้ครับว่าชีวิตของเรานั้นเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าไหมพี่น้องคำตอบก็คืออยู่ในพระธรรมโรมบทที่แปดนะครับพระธรรมโรม บทที่แปดข้อที่หนึ่งได้บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นองครับการลงโทษไม่มีกับพวกเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ครับพวกเราที่มีที่มีชีวิตอยู่โดยการบังเกิดใหม่โดยพัดคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นไม่มีการลงโทษเพราะพระเยซูได้รับโทษแทนเราแล้ว เพราะฉะนั้นคำอธิบายที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเราการลงโทษของพระเจ้านั้นก็คือการที่มนุษย์ที่ไม่เชื่อฝังพระองค์มนุษย์ที่มินดูมินหรือดับก็วิญญาณมนุษย์ที่มีบาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้เช่นการไม่กลับใจใหม่นั้นก็ไม่สามารถที่จะรับชีวิตนิพพานซึ่ง เกิดจากการที่ประชนของพระเยซูได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคาถามก็คือทาไมคริสเตียนจึงยังมีความทุกข์ยากลาบากอยู่แม้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการลงโทษตรงนี้อธิบายได้ครับว่าเป็นการตีและการสอนที่เราเรียกรวมกันว่าตีสอนแต่มีความหมายสองอย่างที่ซ่อนอยู่ที่นี้การตีนั้นทําให้เด็กกลับใจ การสอนทําให้เด็กเ ร, รียนรู้พี่น้องครับเมื่อเรามีความทุกข์ยากลาบากเกิดขึ้น <c oughs> เราต้องพิจารณาในสองสองมุมมองด้วยกันมุมมองแรกจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่ถามพระเจ้าว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคเจอความทุกเจอความลําบากเจออะไองต่างๆที่เรารู้สึก ไม่สบายใจไม่พึงพอใจเกิดความเครียดเกิดการขัดแย้งเกิดอะไรต่างพี่น้องครับต้องหันกลับมาดูว่าเราเป็นผู้ที่จะต้องกลับใจใหม่หรือไม่ <c oughs> ถ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่กลับใจใหม่เราควรรีบกลับใจครับในหน้านที่สองก็คือเมื่อเราพบกับความทุกข์ยากลาบากเราจะต้องกลับมาดูชีวิตของเราว่าพระเจ้ากําลังสอนอะไร สอนอะไรเราเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิดจากให้เกิดความทุกข์ยากลําบากเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการสอนอะไรเราบ้างเ <c oughs> พียงกับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเวลาที่เราเองนั้นได้รับการสอนจากพระเจ้าหลังจากรับการสอนแล้วความทุกข์ยากลําบากนั้นก็จะค่อยๆจูเลาหายไป หรือแม้บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดน้าใหญ่ในตัวของท่านอักทูดเปาโลหรือในตัวของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งาพาพระองค์เพื่อที่เราจะไม่หยิงเพื่อที่เราจะไม่ผยองเพื่อที่เราจะยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางของเราที่นะครับในข้อที่สิบเก้าวันนี้ ผมจะข อ, อกลับมาที่ประเด็นหลักของวันนี้ก็คือพระเจ้าได้ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญาโปรงทรงสรับนาฟาสวรรค์โดยความเข้าใจตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ไหมผู้รู้และนักวิชาการพระมพีหลายท่านก็ฟันธงว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพระเยซูเพราะเมื่อเริ่มแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างโลกด้วยพระวาทะ ในขณะที่พระวาทะในพระธรรมยอต์บทที่หนึ่งได้กล่าวว่าพระวาทันั้นอยู่กับพระเจ้าพระว่าทะนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าและพระวาทะเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูหรือพระวาทันะครับก็อยู่ที่นั่นเมื่อพระเจ้าสร้างโลกและพระเยซูเองก็ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความจริงความจริงกนหมายถึง o อ u t e Truth ก็คือความจริงสมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำว่าปัญญาอย่างผูกติดกันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงวางรากสร้างโลกนะครับผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงสถานาฟาสวรรค์นะครับก็คือผ่านทางพระเยซูร่วมกันกับพระเยซูครับโดยพระเยซูนะครับ น้ำบาดาลก็พัทุออกมาโดยพระปัญญาความรอบรู้โลกก็ถูกสร้างเสร็จคองครับการสร้างโลกของพระเจ้านั้นก็สร้างโดยการตรัสโดยพระวาทะเพราะฉะนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัดครับยิ่งไปกว่านั้นครับคำว่าวางรากก็ทำให้เราบางคนบางท่านนึกว่า เพรครับเพราะโลกลอยอยู่ในอวากาศแท้จริงแล้วในพระธรรมโยบบทที่ยี่สิบหกข้อเจ็ดครับได้กล่าวอยงนี้นะครับว่าพระองค์ทรงคลี่อุดรอ อ, ออกคลุ่มที่เวงวางและแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าจ้องเห็นไหมครับพระเจ้าทรงแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าความคิดของคนโบราณที่เกี่ยวว่าโลกนั้นวางอยู่บนเต่าหรือวางอยู่บนอะไรก็ดีเมื่อเต่าพิกหรือสัตว์ต่างๆที่ เป็นฐานของโลกนั้นพลิกตัวก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวแท้จริงไม่ใช่ครับพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างโลกและแขวนไว้อยู่ในอวกาศครับอยู่ในที่ว่างเปล่าพี่น้องจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ดนใจนะครับให้อยู่ในพระธรรมโยธทําให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ผิดหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ พระกัมพีไม่ได้ขัดแย้งกับความจริงทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยนะครับนี่คือทำให้เราแน่ใจและมั่นใจว่าพระเจานะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่สมดุลในความสมดุลของชีวิตนั้นเราเองจะต้องมีพระปัญญาอยู่ในชีวิตของเราครับชีวิตของเราจึงจะสมบูรณ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะบอกว่าพระเจ้า สอนพระเจ้าตีและพระเจ้าสร้างวิเนยแน่นอนครับไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนทุกอย่างทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะมาจากพระเจ้าแต่เราจะต้องอาศัยสิ่งที่พระเจ้าได้อนุ ญ, ญาตให้เกิดกับเราซึ่งเป็นสักคุณของพระเจ้านะครับอย่าให้เราดื้อรั้นกับพระเจ้าและไม่ยอมกับเนื้อกับตัวกับใจใหม่เมื่อพระองค์ให้เราเห็นบาปบางอย่างในชีวิตของเรา พระเจ้าอาจจะใช้ความรู้สึกต่างๆครับแม้กระทั่งความรู้สึกผิดวิกฤตชีวิตหรือประสบการณ์ที่เลวร้ายเพื่อนําให้เรากลับใจกลับไปหาพระองค์เมื่อเราเกิดการไซด์แท็กหรือเราเกิดการหลงทางแต่ครับบางครั้งการตกทุกข์ได้ยากความยากลําบากนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดความบาปของเราแต่นั่นคือการสอนกับสอนให้เราอดทนสอนให้เราซื่อสัตย์สอนให้เรามั่นคง ในการทรงเรียกและเชื่อมันว่าพระเจ้าจะเปิดเผยว่าเราจะควรเราจะทำอะไรต่อไปเราควรทำอะไรต่อไปหรือไม่อย่างไรขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเรียนรู้บทเรียนฝ่ายวิญญาณจากพระธรรมสุภาษิตในวันนี้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเติบโตขึ้นและเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพรแประการที่จะมาถึงชีวิตของเราแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ เราจะได้เมื่อเรามีพระเยสคริสต์อยู่ในชีวิตอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตอยู่ในจิตใจของเราอาเมน